ตามสบายลูกแต่แม่เตรียมอะไรไว้ให้พรุ่งนี้ไปตรงโน้นไหมเออแม่จะพาไปไหว้พระเจดีย์ที่ภูเขาทองไหมโยกไปไหมลูกไม่ไปเออไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะเออเดี๋ยวบางทีบ้างๆแม่อาจจะไปแล้พักหนึ่งนะเดี๋ยวแม่เอาบุญมาฝากนะลูกเข้าไปเออเนี่ยเห็นไหมผ่นนิดนึงแม่มาเติมเติมมากเลยใช่ก็อย่างนี้ก็นี่เราก็ทําปกติของเราแบบนี้ก็เห็นเป็นไรเลย เขาอ๋อเขาเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยแม่แม่ทำเพื่อเขาะเออเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปออกกําลังกายสักหน่อยนะลูกนะเพราะแม่จะต้องเปวิ่งน่แข็งแรงเพราะว่าเดี๋ยวแม่ต้องทําอาหารบ้างไปซื้อของบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวแม่มันนอนจงๆอย่างนี้เดี๋ยวแม่ก็จะป่วยนะเดี๋ยวลูกลูกรอแม่หน่อยนะลูกยังไม่ออกไม่ออกไปไม่อยากไปไม่เป็นไรหรอกเอาที่ลูกสบายใจนะแม่รักลูกนะ บอกกับเขาจริงทุกวันนี่เขาเรียกว่าปัญญามันมาแล้วก็ฉลาดจัดการเราะหญ่นี่ฉลาดจัดการแล้วไม่ประมาทแล้วก็ฉลาดจัดการถ้าทําอย่างนี้คือเขาจะเป็นอย่างอื่นแล้วเราก็พิจารณาเราทําเต็มที่อย่างเราก็เต็มที่แล้วที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะทำถ้าปัญญามากกว่านี้ยอมมาทําได้มากกว่านี้นี่แนะนําพื้นฐานนี่พื้นฐานสุดๆเลยนะ ไม่เห็นต้องไปเครียดไปกุมลลูกทาอย่างนั้นลูกลูกทีลูกกินหมอที่เออจะขอไปกินยาี่ไม่เห็นจะต้องไปกังวลเลยขนาดนั้นเลยแมนีก็ได้ผ่อนผนานิดนึงหมดมันทให้เขาก็ยมันมน่ยมันเยอะเลยนะ <c oughs> นี่บนะ่นี่เยอะเลยนะใช่ก็ทาให้มันถูกแค่นั้นเองเนี่ยสมมติว่าเขาไม่ซักผ้าเออลูกอ่าเดี๋ยวแม่ซักผ้าให้นะลูกนะเดี๋ยวแม่อผ้าไปซักให้ เขาบอกไม่ซักหรือไม่เป็นไรอ่ะซักเสร็จแล้วแม่วางไว้ตรงนี้นะลูกจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้หรือจะใช้ตัวเดิมก็ไม่เป็นไรแต่แม่มีวางสุดที่ไป้ซักที่นี่แม่รักูกชัดไหมชัเออเนี่ยแต่เด็กก็คงอยากจะได้ยินอย่างด้วยเพราะว่าคือเขาก็มีอะไรอะ<ข>ความมั่นใจบ <c oughs> แบบเขาเรียกว่า <c oughs> ภาษาพักเรีมาหน้าถดถอยมันแก้งะแก้ได้แต่ตอนนี้ฉันไม่ค่อยอยากจะไปให้แก้ตรงนั้นแก้ทํยยอมทำแบบเนี้ยทำเสร็จทำอาหารทาอะไรปกติที่ยอมคนทำนด่แหละทำเสรเสร็จทาเผื่อเขาเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ทุกแต่มีความสุขที่ได้ทำทำได้ไหม มีความสุขที่จัดย้ายเขามีความสุขที่ตักน้ำให้เขามีความสุขใ่การในซักผ้าให้ดูแลมีความสุขในการชวนเขาไปมีความสุขในการทําน้าบูดอะไรก็ว่ากันก็มาเล่าให้เขาฟังลูกอยากฟังเรื่องอะไรไหมอยากฟังจะเล่าให้ฟังเขาบอกไม่อยากฟังไม่เป็นไรถ้าอยากฟังบอกนะเดี๋ยวแม่อยากจะเล่าให้ฟังแม่แม่มีความสุขจังทามีความสุขเลยที Susan, ่อยนะู่ใกล้จริงมาก ถ้าผ่อเรื่อว่าลูกจะต้องกลับไปเรียนหรือจะต้องทํางานอะไรอย่ี้ยมันก็บาเลยแย่ไม่ต้องไปวิธีการบอกอย่างนี้ลูกเรียนหรือไม่เรียนไม่สําคัญความสุขสําคัญกว่าอยากกลัวแม่ยังอยู่อยากกลัวกับการไม่มีเงินไม่กลัวอย่า ก, กลัวกับการไม่มีงานชีวิตเรามีความสุขแต่ละวันแต่ละวัน ที่เราได้อยู่ร่วมกันนี้สุดยอดที่สุดไม่ต้องคำจ้วขาขอถามแทนนะคือถ้าลูกเนี่ยาง ค, ครั้งสุกกรานี่คืออย่างเป็นแม่เนี่ยจะต้องข้ามคือห้ามก็ห้ามไม่ได้ใช่นี้ควจะวางาจะต้องผอก็ต้องบอกเา้าบอกว่าตอนนี้ใครให้เนพ่จะ ก็บอกเขาก็บอกเขานีบอกว่าถ้าล well> ูกยังต้องการความสุขจากสิ่งเสกเคยกัญชาอย่างนี้มีลูกเลือกเองที่จะทำแบบนี้ไม่เป็นลไม่เป็นไรเพราะมันลูกยังต้องจะสุขได้ต้องอาศัยสิ่งเสจ สิงเสบเหล่านี้มันไม่ได้ถาวรมันไม่ได้มั่นค ง, งเพราะมันเป็นมันเป็นสารที่มันเข้าไปจัดการในสมองมันได้ใค่ชี่วพัง้งชั่วคู่และที่สุดจริงๆพิสิ่งนี้หายไปมันก็ต้องเพิ่มปริมาณการเสบมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราต้องติดสิ่งเสบและเข้าแะเข้าถ้าไม่มีสิ่นนี้เราก็สุกไม่เต็มสุกไม่ได้ แต่ถ้าลูกยังไม่สามารถที่จะสุขได้เองก็อาศัยม ก, ก็เรื่องของลูกนะแม่ไม่ทุกข์กะสีแม่จะไม่ทุกข์กะสีแต่ถ้าระหว่างแต่แม่เนี่ยกับมีความสุขการ ท, าที่ได้อยู่กับลูกได้ทากิจกรรมกับลูกมีความสุขของแม่ ความสุขของลูกลูกไม่อยากทํากิจกรรมกับแม่แต่ลูกอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากจะสุกกับซนเซอันนั้นก็เรื่องของลูกนะแต่แม่เนี่ยไม่ได้ไปห่างแต่ชี้เห็นว่ามันคืออะไรแต่แม่เนี่ยมีความสุขที่ได้ดูแลลูกมีความสุขในการได้ทําอะไรให้ลูกและถ้าลูกเนี่ยถ้าลูกคุยกับแม่แม่ยิ่งมีความสุข ได้คุยกันได้พูดกันจอยปัญหาทานคุยกันแบ่งเปาเรื่องนู่นเรื่องนี้กันแม่กับมีความสุขตรงนี้แต่ลูกจะไม่ให้ความสุขแต่แม่ก็ได้แล้วแต่ลูกแต่แม่เนี่ยก็พยายามให้ความสุขกับลูกทุกอย่างที่รู้ว่ามันจะเป็นความสุขของลูก ท, ทั้งทั้งที่ แรนชาสารเสตติมันไม่ถูกแต่เมื่อลูกยังต้องพึ่งมันแต่คุณรูเ้เถอะมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งอย่างแท้จรมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดจริงๆไม่มีมันแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แต่ชีวิตเนี่ยของแม่แม่ไม่ต้องพึ่งตรงนี้แต่แม่กลับมีความสุขที่ได้เห็นลูกได้ดูแลลูก ยิ่งเห็นลูกแข็งแรงแม่ก็มีความสุขแต่ความหวังของแม่หรือความสุขของแม่ตรงนั้นเน่ยมันจะไม่สงหวังแม่ก็ไม่เป็นไรแม่ก็ยังสุขได้จากการที่ได้ทำสิ่งดีๆแต่ถ้าลูกจะเข้มแข็งทั้งด้านจิตใจจะดำเนินว่าเราจะสุขเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งเศษถ้าลูกทำได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีของลูกลูกก็เลือกอแม่ไม่จากัด ชี้เห็นอะไรจะตามมาเร่องตุเผลนี่เราต้องชัดเจนด้านปัญญานะถ้าเราชัดเจนไปนเสร็จก็เป็นผู้บอกบอกทางทั้งสองทางเดินยศลูกเลือกเองเมื่อเดินไปถึงจุดนั้นแล้วยมลูกก็ต้องรับต้องยอมรับว่าวันหนึ่งมันจะให้ความสุขไปยกลูกนีก่แหละเพราะมันคือสิ่งศักดิ์และปริมาณก็ต้องเพิ่มมากและที่จริงดดมันก็ทำลาย ยกยพอจะชัดไหมก็ชี้แจงเสร็จแล้ ว, ก, ลว ก, ก็แล้วก็จบก็ก็โอเคมันเหมือนว่าทางนี้เดินมีปัญหาทางนี้เดินไม่ไม่มีปัญหาทางนี้ปลอดภัยลูกเดินเองรับผิดชอบเองต้องประสบเองแม่เป็นแต่เพีงผู้บอกหน้าที่ หน้าที่ของแม่บอกแล้วแต่เมื่อบอกแล้วฉันลูกฉันจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกยังไงแม่ก็รักลูกถึงแม้ถึงลูกทุกยังไงแม่จะไม่ทุกใจด้วยแต่แม่จะคนคายช่วยเหลือถ้าช่วยไม่ได้ก็ปล่อยชัดไมหมเนี้ น, นี่ต้องเราต้องเข้มแข็งเพื่อวางใจได้ขนาดนะั้นฉันไม่อยากจะบอกอรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่บอกให้รู้ว่าจริงๆริงกต้องใช่ไหม พักก่อนที่พรุ่งนี้อยากจะขอสร้างบิลสักรอบ